ดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นเรื่องตลกในแง่ที่ว่าพอเราศึกษาลึกๆเข้าไปเนี่ยดวงอาทิตย์เป็นแค่แก๊สไม่ใช่เทพเจ้าแต่บทบาทของมันนะ่สำคัญเหมือนเป็นเทพเจ้าเลยจริงๆ จ, จะเรียกว่าพระก็ไม่ผิดเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าให้พลังงานกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยแทบทุกอย่างเลยนะครับบนโลกใบนี้ you're listening to the standard podcast the eye opening experience for your ears ดในโลกล้วนฟิสิก พอดแคสต์ Podcast, วิทยาศาสตร์เนิร์ดเนิดที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัว ตื่นขึ้นมาก็เห็นแสงของดวงอาทิตย์แล้วนะคะยิ่งอยู่ในเมืองร้อนบ้านเราเนี่ยโอ้โหสนิทกับดวงอาทิตย์เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาคุยกันว่าในมุมมองของฟิสิกส์ถ้าเราจะเข้าใจแล้วก็เห็นภาพของดวงอาทิตย์ในมุมมองของฟิสิกส์เนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งวันนี้ก็ใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์นะคะเช่นเคยอยู่กับฟางรัฐทรโรจิตพนานะคะมาพร้อมกับฟองแปงอาจวรงจันทมาศนักเขียนนักสื่อสารวทิทยาศาสตร์ครับ โอเคค่ะพี่ถ้าเราคุยกันเรื่องดวงอาทิตย์เราควรเริ่มยังไงดีคะพี่บง่งเตงมันก็เป็นสิ่งที่มีแง่มุมให้เล่าเยอะเนาะก็ผมอาจจะพูดลักษณะนี้ก่อนแล้วกันว่ า, ก, วาการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยเนาะมันเป็นสิ่งที่บอกวันคือการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงอาทิตย์ที่กลับมาที่ตำแหน่งเดิมเนี่ยคือ 1, 1> วันก็เป็นคำที่สอดคล้องกับตะวันหรือ1วันนะทีนี้ ดวงอาทิตย์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มีความลึกลับหลายๆวัฒนธรรมก็มองว่าเป็นเทพเจ้านะคนไทยก็เรียกพระอาทิตย์ด้วยนะกเน็เป็นเหมือนกับเทพเจ้าองค์หนึง่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอะไรก็ตามที่อยู่บนท้องฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวต่างๆเนี่ยพวกนี้มันดูเหมือนสิ่งที่ลึกลับหน้าค้นหาแล้วมันก็ดูเหมือนไม่ได้เป็นไปตามกฎธรรมชาติ ของสิ่งที่เราพบเจอบนโลกเหนือการควบคุมของมนุษย์อย่างเราไปอย่างก้อนหินเนี่ยเราโยนแล้วมันก็ตกลงมาแต่ของพวกนี้ทํำไมมันค้างอยู่บนท้องฟ้าได้โดยที่ไม่ตกลงมาพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนมีความอัศจรรย์อยู่ในตัวมันเนาะแต่ต้องถามก่อนครับในการเล่าเรื่องดวงอาทิตย์นี่ว่าฟางคิดว่าดวงอาทิตย์จริงๆแล้วตัวมันเป็นเป็นอะไรตัวมันเป็นอะไรเรา <S <s เรียนมาตั้งแต่เด็กเป็นดวงดาวมันเป็นดาวดาวฤกษ์เป็นดาวใช่ไหมเป็นดาวอยู่บนท้องฟ้าแล้วองค์ประกอบมันคืออะไร โหยากอะไม่รู้คนในยุคโบราณเนี่ยเขาเคยเชื่อว่าดวงอาทิตย์เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนถ่านเหมือนเราจุดถ่านในเตาผิงอะไรอย่างนี้นะใช่ครับก็มนุษย์เราเวลาเห็นอะไรจะอธิบายอะไรเราก็จะพยายามอธิบายจากสิ่งหรือที่เราคุ้นเคยใกล้ตัวเนาะเช่นเราเคยเห็นถ่านมันร้อนๆคนก็เลยเชื่อกันว่าหรือว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันคือถ่านร้อนๆที่มันแผ่พลังงานออกมาค่ะนะ แต่เมื่อความรู้เรามากขึ้นเนี่ยเราเพบว่ามันไม่มีทางเป็นฐานได้เพราะว่าฐานเนี่ยมันแผ่พลังงานเร็วมากแล้วมันจะมอดเร็วมันไม่ควรจะอยู่นานขนาดเนี้ยเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยอย่างที่บอกลืมตาตื่นขึ้นมาก็เจอดวงอาทิตย์แล้วแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะคือมนุษย์คนแรกเกิดขึ้นมาบนโลกอะ่ะเราก็เจอดวงอาทิตย์แล้วแล้วจริงๆต้องบอกว่าระบบสุริยะเนี่ยนะฮะก็คือระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางอะ่ะซึ่งมันเป็นดาวฤกษ์นะดาวเคราะเล็กๆโคจรรอบๆเนี่ยนะครับ ผมใช้คําว่าเล็กๆเพราะว่าถ้าเราเอาทุกอย่างในระบบสุรยิยะมาชั่งน้ําหนักเนยดวงอาทิตย์เนี่ยมันหนักเกิน 99% เข้าไปละวโอดังนั้นมันเป็นอะไรที่ใหญ่มากแล้วที่เหลือมันเป็นแค่เศษเล็กๆเหมือนฝุ่นนะค่ะดูว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่เราท่องกันมาดูว่ที่คือดาวเลิกดวง<ะ>หนึ่งเนี่ยนะมันเป็นความรู้ที่สุดยอดแห่งการยืนบนไหลยักษ์เลยสุดยอดยืนบนไหลยักษ์คำว่ายืนบนไหลยักษ์อะเป็นคํากล่าวของเซอร<ะ>์ไอแซคนิวตันค่ะหมายความว่า มันต้องการองค์ความรู้มากมายเลยนะมันถึงจะนํามาข้อสรุปที่ว่าดวงอาทิตย์คือดาวเลิศมันไม่ใช่ของที่เห็นเห็นกันอยู่เพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันต่างจากดาวและยิบและยับตอนกลางคืนมากมันสว่างมันมีธรรมชาติที่ต่างจากดาวที่เราเห็นสุดๆแต่ว่าการไปสรุปได้ว่ามันคือดาวเลิศเนี่ยอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งและอย่างที่2คือมันนํามาซึ่งจินตนาการเยอะมากในแง่หนึ่งธรรมชาติของมันไม่ต่างจากดาวตอนกลางคืนเป็นไปได้ไหมที่ดาวตอนกลางคืนเนี่ยจะมีดาวเคราะห์ของตัวเองอยู่ เป็นบริวารอยู่แบบโลกของเราเป็นไปได้ไหมเวลาเรามองกาแล็กซี่แล้วเราเห็นดาวฤกษ์จนวนมากเป็นแสนล้านดวงมันจะมีโลกใบเล็กๆอยู่ในนั้น ม, มันเป็นไปได้ไหมที่โลกเล็กๆใบนั้นจะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมันเป็นไปได้ไหมที่สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นน่ะจะตระหนัก ถึงการมีอยู่ของตัวตนแบบมนุษย์แปลว่าจากเรื่องของดวงอาทิตย์ที่เราพูดกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าดวงอาทิตย์เหมือนเป็นจุดกําเนิดของสุริยะจั ก, กรวาลแล้วก็ทําให้เรามองภาพไปไกลกว่านั้นอีกว่าจริงๆแล้วมันทําให้มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรือว่าดาวอื่นๆที่รายล้อมมันอยู่ด้วยหรือเปล่าอย่างนี้ใช่มครัอ่าคือระบบสุริยะเนี่ยดวงอาทิตย์เกิดก่อนและอย่างที่บอกดวงอาทิตย์เป็นจุดกําเนิดของพลังงานด้วยนะฮะใช่ก็คือพลังงานที่เราใช้กันอยู่เนี่ยสืบสาวไปมาเนี่ย แทบทั้งหมดมาจากดวงอาทิตย์หมดเลยเชื่อไหมก็คงเชื่อมันก็พี่พูดหนูเชื่อหมดเลยตังต้งคาถามมันจะได้สนุกเชื่อไหมหรอสมมตนิน้องฟังออกแรงในการพูด<ะ>ในการเคลื่อนไหวแขนขาเนี่ยพลังงานพวกนี้มาจากไหนครับโอไม่รู้เนี่ยการกินถูกต้องแล้วเรากินอะไรวั<อ>นวันเลได้แบบการสังเคราะห์แสงพืชอะไรอย่างนี้อันนี้คือพืชใช่มพืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มัน ตักตวงพลังงานจากดวงอาทิตย์มาเก็บไว้ในร่างกายมันนึงมันเอาพลังงานมาสะสมไว้ในใบกิ่งก้านของมันผลของมันดังนั้นผัดผลไม้เนี่ยมันก็คือพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ถูกแปลรูปมาไว้แล้วสัตว์กินพืชก็เก็บพลังงานจากพืชมาอีกทีนึงดังนั้นทุกครั้งที่เรากินสัตว์กินพืชเราก็เหมือนกินพลังงานจากดวงอาทิตย์มาถางอ้อมจริงด้วยจริงด้วยถูกไหมครับดังนั้น พลังงานที่เราใช้ในชีวิตประจําวัน<อ>ในการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตแทบทุกอย่างล้วนมาจากดวงอาทิตย์ผมขอขยายความอีกนิดนึงเรื่องที่ว่ามันเป็นต้นกําเนิดของพลังงานแทบทุกอย่างบนโลกมันไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวของเรานะไฟที่ใช้ในการจัดแสงในสตู ม, มาจากไหนไฟฟ้าถ้าตอบว่ามันมาจากโซลาร์เซลล์ก็ไม่ผิด<อ>ใช่ไหมครับเพราะว่าโซลาร์เซลล์เนี่ย มันก็เป็นอุปกรณ์ที่เก็บพลังงานจากดวงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้โดยตรงแต่โซล่าเซลล์เนี่ยไม่ใช่แหล่งพลังงานหลักของการผลิตไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านเราด้วยหลักๆแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์เนี่ยอาจจะมาจากเขื่อนก็ได้ใช่ไหมเขือ่อนนึกออกไเช่น เ, เราเอาน้ําน้ําในที่สูงนะครับมันก็ไหลลงมาปั่นปั่นไฟให้เราแต่คําถามคือแล้วใครยกน้ําขึ้นไปให้เราจริงๆแล้วแสงของดวงอาทิตย์ส่งผลต่อการไหล ขึ้นลงของน้ำทั้งโอ้แน่นอนอเพราะว่าคนที่ยกน้ําให้เราอ่ะคือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ทําให้น้ําอ่ะเราเหยขึ้นไปเกาะกลุ่มเป็นเมฆแล้วก็ตกจากที่สูงลงมาที่ต่ําดังนั้นคนยกน้ําให้เราอ่ะคือดวงอาทิตย์ในการสร้างเขื่อนแล้วก็พลังงานไฟฟ้าจํานวนมากเลยในบ้านเราก็มาจากถ่านหินนะครับหรือว่าพวกแก๊สธรรมชาติซึ่งไอ้พวกนี้พอเอามาเผาปุ๊บเขาก็เอามาต้มน้ําแล้วก็เอามาปั่นไฟทีนึงแต่พวกถ่านหินกับแก๊สธรรมชาติเนี่ย ลึกๆแล้วสุดท้ายมันก็คือเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือก็คือสิ่งมีชีวิตดึกดํา บ, บันที่มันตายแล้วมันทับถมกันซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ตัวมันเก็บพลังงานจากดวงอาทิตย์ไว้นานแล้วเมื่อร้านปีก่อนประเด็นของผมก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวร่างกายพลังงานไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามสืบสาวไปมามันก็ไปเจอดวงอาทิตย์ทั้งนั้นเลยดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นแหล่งพลังงานแทบทุกอย่างผมใช้คําว่าแทบทุกอย่างเพราะ มันอาจจะไม่ได้นะับพวกพลังงานนิวเคลียร์หรืออื่นๆนะครับแต่เรื่องนั้นเนี่ยเอาไว้ก่อนละกันแต่ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากดวงอาทิตย์ทั้งนั้นทีนี้เมื่อกี้พี่ปองแปงติดไว้บอกว่าถ้าเราจะทําความเข้าใจเราต้องกลับมาดูก่อนว่าจริงๆแล้วดวงอาทิตย์คืออะไรแล้วอย่างชื่อตอนของเราบอกว่าแสงของดวงอาทิตย์อะ่ะมันทําไมถึงมีแสงอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าเฮ้ยคนสมัยก่อนว่ามันคือฐานแล้วจริงๆแล้วดวงอาทิตย์ไ <c oughs> อ้ไอ้ก้อนเนี่ยมันคืออะไรและอะไรทําให้มันมีแสงได้อ่าเรื่องเนี้ยอืม เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนแล้วนักฟิสิกส์เนี่ยรู้มาไม่ถึงไม่ถึงร้อยกว่าปีนี่เองก็ oh, เป็นความรู้ที่ใหม่มากเลยนะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันปลดปล่อยพลังงานได้ยังไงซึ่งไอ้คำว่าพลังงานเนี่ยนะฮะมันเป็นคำที่กว้างมากมันรวมถึงแสงความร้อนรังสีต่างๆถ้าถามว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่มันคืออะไรก่อนส่วนใหญ่แล้วดวงที่เป็นแก๊สไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจนซึ่งจริงๆดาวดวงอื่นก็มีแก๊สนี้ไหมคะ ใช่ดวงดาวฤกษ์ในลักษณะเดียวกับดวงอาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะมีองค์ประกอบเป็นแก๊สไฮโดรเจนนะครับนะแล้วก็แก๊สไฮโดรเจนเนี่ยคุ้นคุ้นกับมันบ้างหมเออไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าลูกโป่งอัดแก๊สนี่อัดแก๊สไฮโดรเจนปะลูกโป่ง อ, อ, อันนี้เป็นลูกโป่งแบบงานวัดแต่ก่อนอจะเป็นแก๊สไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยก็เป็น อ, อ, องค์ประกอบพื้นฐานของหลายๆอย่างในโลกของเคมีกับฟิสิกส์ในกระบวนการทาง อุตสาหกรรมต่างๆด้วยนะครับในการผลิตหลายๆอย่างเนี่ยแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากแต่ไฮโดรเจนจากดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วมันก็มีปริมาณมหาศาลในระดับที่ว่าตัวมันเนี่ยรวมกันจนมีมวลมหาศาลแล้วมันก็ลึงดูดกันด้วยแรงโน้มถ่วงได้ครับฟังมันเกาะกลุ่มกันอย่างนี้ใช่ซึ่งในตอนแรกเนี่ยดวงอาทิตย์มันก็เป็นพวกเนบิวลาหรือแก๊สที่มันกระจายทั่วไป มันต้องรอเวลานานมากๆในหลักเป็นล้านปีอะครับกว่าแก๊สพวกนี้จะดึงดูดด้วยแรงโน้มถ่วงของมันแล้วมาเกาะกันเป็นก้อนแบบนี้ได้ค่ะไอคำว่าเป็นล้านปีเนี่ยนะมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินกว่าที่มนุษย์จะสัมผัสแต่ความเจ๋งคือนักฟิสิกส์ก็พอจะทํานายคข้าวลาได้ว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยคือความเจ๋งพอแก๊สพวกนี้มันเกาะกันด้วยแรงโน้มถ่วงอะครับมันก็มีแรงโน้มถ่วงเยอะแล้วมันอัดกัน พอแก๊สมันอัดกันแน่นด้วยแรงน้มถ่วงเนี่ยลองนึกภาพเราสูบลูกสูบจักรยานอะพอมันแรงน้มถ่วงมันเกาะกันมากๆเข้าตัวมันก็เหมือนกับโดนบีบอัดตัวมันก็จะอุ่นขึ้นแต่มันไม่ใช่แค่อุ่นเพราะแรงน้มถ่วงมันเยอะเกินกว่าคําว่าอุ่นไปมากมันร้อนละอุ่ในระดับที่ใจกลางมันร้อนเป็นล้านองศาใช่ล้านองศาล้านองศาเซลเซียสใช่ฮะทีนี้พอล้านองศาเนี่ยไออนุภาคต่างๆของไฮโดรเจนเนี่ยมันจะวิ่งเร็วมากเลย ทีนี้พอวิ่งเร็วมากเนี่ยมันมีโอกาสมากที่มันจะชนกันแรงพอชนกันแรงถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะรวมกันได้มันประหลาดตรงที่ว่าปกติแล้วเนี่ยนิวเคลียสของไฮโดรเจนเนี่ยนะมันเป็นประจุบวกทั้งคู่ถ้าไม่วิ่งแรงพอเนี่ยมันจะผลักกันแต่ในที่นี้เนี่ยมันเร็วมากมันก็จะชนกันแล้วมันรวมกันรวมตัวกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะพอรวมตัวกันปุ๊บเนี่ยมันจะปล่อยพลังงานออกมาได้ นั่นแหละคือแหล่งพลังงานของดวงอาทิตย์แปลว่าแปลว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมีไอ้เจ้าก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยเป็นหลักก็เป็น<อ>แหล่งพลังงานของมันแล้วใช่ครับ<อ>ก็คือไล่เรียงอย่างนี้ก็แล้วลกันมวลมากๆของแรงโน้มถ่วงทําให้เกิดการบีบอัดการบีบอัดทําให้เกิดอุณหภูมิสูงอุณหภูมิสูงทําให้องค์ประกอบภายในของมันวิ่งเร็วแล้วมันชนกันพอชนกันปุ๊บมันรวมกันแล้วมันคายพลังงานได้<อ>ใช่ค่ะไอ้ตัวนี้แหละเป็น ที่มาของคำว่าปฏิกิริยาฟิวชั่นคำว่าฟิวชั่นหรือฟิลส์ก็คือรวมกันของขององค์ประกอบเล็กๆที่ผมว่าเนี่ยอืค่ะแปลว่าที่มาที่พี่ป่องแปงอธิบายกระ บ, บวนการทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ดวงอาทิตย์เนี่ยมีทั้งแสงมีทั้งความร้อนมีทั้งรังสีต่างๆนานาใช่ไหมคะพี่ใช่เลยดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นเรื่องตลกในแง่ที่ว่าพอเราศึกษาลึกๆเข้าไปเนี่ยดวงอาทิตย์เป็นแค่แก๊สไม่ใช่เทพเจ้าแต่บทบาทของมั น, นะ สำคัญเหมือนเป็นเทพเจ้าเลยจริงๆ จ, จะเรียกว่าพระก็ไม่ผิดเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าให้พลังงานกับสิ่งอื่นๆสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยแทบทุกอย่างเลยนะครับบนโลกใบนี้ใช่ค่ะแล้วทีนี้อยากรู้พี่เมื่อกี้เราอธิบายบอกว่ามันเหมือนกับอัดแก๊สเข้าไปในลูกโป่ง <ๆ S 2> แล้วมันมีทางที่จะระเบิดหรือว่าดับหรือว่าไม่มีแสงอีกไหมคะอ๋อแน่นอนฮะว่าขึ้นชื่อว่าการเผาผลันพลังงานนะนะ มันไม่มีทางที่จะเผาผลาญได้ไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดวันข้างหน้าที่ไฮโดรเจนถูกเผาไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับถ้าเผาจนหมดมันจะดับลงใช่มันมีมเติมไหมคะหมายว่ามีไฮโดรเจนจากส่วนอื่นเป็นคำถามที่ดีมากเลยคือถ้าเป็นดาวฤกษ์ระบบอื่นมันมีโอกาสที่จะมีแก๊สอยู่แถวๆนั้นไหลเข้ามาเติมได้นะแต่อย่างดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่มีคู่ นะครับมันเป็นดาวเลิกเดียวๆนะอย่างดาวเลิกอื่นอาจจะมีแก๊สแถวนั้นอาจจะมีดาวที่เป็นคู่ของมันโคจรรอบกันและกันนะมันก็อาจจะมีมาเติมบ้างอะไรบ้างแต่ดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าพลังงานมันหมดนะครับมันก็จะไม่ได้เปล่งแสงในลักษณะนี้อีกต่อไปใช่แต่ก่อนที่มันจะตายลงในแบบของมันเนี่ยมันจะขยายใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะกลืนเอาโลกของเราเข้าไป หมายถึงว่ามันอ๋อพอไซส์มั น, นใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะมาใกล้เราแล้วก็สุดท้ายเราก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งขอ ง, งมันไปถูกต้องแรงมากแต่ว่าใช้เวลานานใช่ไหมคะ ก็ประมาณหลักพันล้านปีอโเคก็ถ้ามีมีรูปมีหลานก็เขียนจดหมายบอกเขาไว้ก็ได้ว่าเตรียมตัวไว้นะใช่เขาจะได้ไม่ตกใจอ๋อโอเคโอเคฟังมาถึงตอนนี้รู้สึกว่าโหมันมีแบบเรื่องที่แบบนอกบทเรียนกว่าที่เราเคยเรียนเยอะเลยพี่แล้วมันมีเรื่องอะไรอีกไหมคะที่ถ้าเรารู้เราจะแบบโหไม่เคยรู้มาก่อนเี่กับเรื่องของดวงอาทิตย์อีกอืมก็คือผมว่าหลายหลาคนอาจจะเข้าใจว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นคืออันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ แลมีดาวเคราะห์โคจรไปรอบๆนะครับแต่จริงๆดวงอาทิตย์เองก็หมุนด้วยแหงตัวมันเองหมุนรอบตัวเองอแต่เนื่องจากตัวมันไม่ใช่ลูกบอลที่เป็นของแข็งดังนั้นอัตราการหมุนในแต่ละจุดของดวงอาทิตย์ก็จะไม่เท่ากันหมุนไม่เท่ากันหมายถึงยังไงพี่คือตัวมันเป็นของไหลอะฮะเป็นแก๊สคือแก๊สก็คือสิ่งที่ไหลได้ดังนั้นที่เ้นต์สูงสุดก็จะหมุนด้วยอัตราค่าหนึ่งข้างบนก็จะหมุนด้วยอัตราค่าหนึ่งตรงขั้วมันมันจะหมุนด้วยอัตราที่ไม่่เททากันนีี้ ความน่าสนใจคือความไม่สม่ําเสมอของการหมุนนี้เนี่ยมันก็ส่งผลต่อธรรมชาติหลายอย่างของดวงอาทิตย์ในแง่ของสนามแม่เหล็กหรืออะไรพวกนี้ะนะครับแล้วมันก็จะทําให้ดวงอาทิตย์เนี่ยมีปรากฏการณ์บางอย่างที่พื้นผิวที่น่าสนใจเช่นมันจะมีบางจุดของบนผิวดวงอาทิตย์ที่มันมันไม่ได้ปล่อยพลังงานเท่ากับจุดอื่นๆแล้วกันอทีนี้ถ้ามองผ่านกล้องที่ที่มีฟิลเตอร์นะครับเราก็จะเห็นมันมืดกว่าจุดอื่นแล้วก็จะเรียกว่าจุดบนดวงอาทิตย์หรือซันสปอตอย่างเงี้ยนะ หรือแม้แต่ดวงอาทิตย์เองเนี่ยก็มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือตัวมันนะครับไม่ได้แผ่แค่แสงหรือความร้อนเพียงอย่างเดียวนะมันยังแผ่เอาอนุภาคมีประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาเต็ไมไปหมดเลยพุ่งออกมาจากดวงอาทิตย์เหรอรใช่ครับบางทีมันวิ่งเข้ามามันจะเข้ามาทางโลกได้ทางขั้วเหนือกับขั้วใต้ค่ะแล้ว ม, มันจะมีจุดที่ไม่มีสนามแม่เหล็กอยู่เหรอคะอ่ามันเป็นเหมือนรูเล็กๆแล้วก็เป็นจุดที่สนามแม่เหล็กเนี่ยทำให้อนุภาควิ่งเข้ามาได้อ่า ค, คือ คือสนามแม่เหล็กเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เบีย่ยงเบนทิศทางของของของอนุภาคจากดวงอาทิตย์ที่มีประจุไฟฟ้าเนา ะ, ะแล้วมันก็จะทําให้มันวิ่งมาตามเส้นสนามแม่เหล็กแล้วมันจะวิ่งเข้ามาปะทะกับบรรยากาศโลกที่ขั้วเหนือกับขั้วใต้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจะเกิดการเปล่งพลังงานขึ้นออกมาเป็นแสงออโรราอ๋อที่เราเห็นแบบว่าคนไปตั้งตารอดูจริงๆแล้วมันคือปรากฏการณ์นี้ที่เกิดจากอนุภาคของดวงอาทิตย์วิ่งมาแล้วก็ แทนที่มันจะวิ่งเข้าเข้ามาที่เส้นสูงสุดมันก็วิ่งเข้าไปขั้วเนกับครัวใต้<อ>ที่เป็นรูสนามแม่เหล็กจึงมีแค่2จุดนั้นเท่านั้นที่จะเห็นแสงออโรราอ่าบริเวณนั้นแล้วกันะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปรากฏการณ์ลมสุริยะคนที่เป็นนักล่าออโรราเนี่ยเขาก็จะต้องดูดวงอาทิตย์ไปด้วยว่าดวงอาทิตย์ช่วงนี้แอคทีฟไห ม, อ, มอะไรเงี้ยมันแบบมันมีกิจกรรมบนพื้น ผ, ผ, ผิวเยอะไหมยิ่งมันมีลมสุริยะหรือมีปรากฏการณ์ทางพื้นผิวเยอะก็มีโอกาสที่ช่วงนั้นเนี่ยออโรราก็จะ บบถึงแม้ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนหรือว่าดูเหมือนก็ไม่เห็นเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ตรงไหนแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตรงๆเลยก็คือเกิดจากตัวพลังงานของดวงอาทิตย์ใช่ไหมโห<ะ>ใช่เลยและอย่างที่บอกแหละคือความจริงของธรรมชาติมันมักไม่วางอยู่ให้เราเห็นแบบง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นสิ่งเดียวกับดาวฤก ไม่ว่าการที่ดวงอาทิตย์จะเป็นสิ่งที่ต้นกําเนิดของแหล่งพลังงานมากมายบนโลกของเราและไม่ว่าการที่แสงโอโรลาเนี่ยแท้จริงแล้วมันเชื่อมโยงกับดวงอาทิตย์อย่างลึกซึง้งนะครับอันนี้คือผมว่าคือผมมองว่ามันเป็นความเจ๋งอย่างหนึ่งของฟิสิกส์คือมันทําให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของสิ่งต่างๆที่ที่เรานั่งคิดด้วยด้วยตัวเองบางทีก็จะยากมากหรืออาจจะไม่ออกอ ม, มันต้องอาศัยกระบวนการทางฟิสิกส์มาช่วยในการคิด อืมค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอฟังที่ป่องแป่งพูดแล้วเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกเหมือนฟงังคือเราเห็นภาพของดวงอาทิตย์เนี่ยต่างออกไปเวลาวันนี้ถ้าออกไปเดินออกไปแล้วก็เจอดวงอาทิตย์เราอาจจะไม่ได้มองมันเป็นเพียงแค่ ดวงดวงาวธรรมดาแบบเดิมอีกแล้วแต่ว่าเราเห็นว่ามันมีเรื่องราวแล้วก็มีปรากฏการณ์ต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเกี่ยวข้องกับโลกแล้วก็ปรากฏการณ์ที่แบบบางทีก็เป็นจุดสนใจทางเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนคงได้มุมมองใหม่ๆผ่านทางมิติเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่ทําความเข้าใจเรื่องของดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์นะคะได้ทุกพอดแคสต์เพลเยอร์นะคะแล้วก็ใน YouTube ของเดอะสแตนดาร์ดพอดแคสด้วยค่ะ